ดูก่อนมารุงกระยะเมื่อยังมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่อยู่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ชดังนี้ชาติคือความเกิดชราความแก่มรณะโสกาป ร, ริเทวทุกขโทมนัสสะแล้วปายาตยก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจรึงทรงบัญญัติเพิกถอนอะไร ชาติชรามารณาโซกาปริเทวทุกขโทมนัตเลวป่ายาตในปัจจุบันนะนะ่าดูก่อนมารุงเลยเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงทรงจําปัญหาที่เราไม่พยากรโดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรและจงจําปัญหาที่เราพยากรโดยความเป็นปัญหาที่เราพยากจจาเราากาเถ อ, เอดูก่อนมารุงกระยบุตรอะไรเล่าที่ไม่ทรงพยากรดูก่อนมารุงกระยบุตรทิพถว่า โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสตรีละก็อันนั้นชีดอย่างหนึ่งสตรีละอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็หามีได้ไม่มีอยู่ก็หามีได้ดังนี้เราไม่พยากรณ์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ปัญหาแบบตั้งปัญหาผิดหมดเลย เรื่องสัตว์บุคคลนี่ผิดไหมผิดแล้วการตั้งปัญหาก็ผิดและความเห็นของท่านบุกนี้ก็ผิดด้วยจึงไม่มีประโยชน์ในการที่จะพยากรณ์เราไม่พยากรณ์เพราะเหตุหลายข้อนั้นเราจึงไม่พยากรณ์เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถามว่าในขณะที่เกิดทิฏฐิแบบนี้มีความเห็นอย่างนี้ไม่เป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์เลยนะ เบื้องต้นของพรหมจรรย์อย่าว่าแต่เลยเบื้องต้นของเบื้องต้นพรหมจรรย์ก็ไม่เป็นเช่น ย, ยังไงในขณะที่มีทิฏฐิที่ลามกเกิดขึ้นศีลเกิดไหมเห็นไหมไม่เป็นแม้แต่เบื้องต้นของพรหมจรรย์เลยไม่เป็นเบื้องต้นแห่งแห่งการที่จะตัดสู้อะไรได้เลยเพราะเป็นความเห็นที่ลาโมกเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นทิฏฐิที่เลวทรามเกิดขึ้นมาแล้วเมื่ออกุศลธรรมตั้งขึ้นในกระแสจิต เชือว่าท่านผู้นั้นนะ่ะมีแนวทางที่วิบัติเกิดขึ้นแล้วจึงไม่สมควรที่จะพยากรปัญหาอะไระไรในทานองอย่างนั้นนะเออให้ลองสังเกต ด, ดูท่านในขณะที่เราฟุ้งซ่านแต่อยากจะบรรลุธรรมน่าคิดกันเนะ <c oughs> จิตที่ฟงซ่าน <c oughs> จิตที่ตั้งไว้ผิดนะจะบรรลุธรรมได้ไหมโยมตัวไม่ได้มีข้อปฏิบัติอะไรที่จะบรรลุอะไรได้ ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อนายเพื่อความดับเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อพระนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรข้อนั้นใช่ไหมโดยสรุปก็คือไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์อะไรเลยดูก่อนมารุงกระยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรดูก่อนมารุงกระยบุตรความเห็นว่านี้ทุกใช่ไหมเข้าเดียสัตว์เละนี้ทุกนี้ทุกเหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ดังนี้เราพยากรณถามว่าเพราะเหตุไรเราจรึงพยากรณ์ข้อ น, นั้นเพราะเหตุนั้นประกอบด้วยเป็นไปประโยชน์ถ้าไปรู้ว่านี้ทุกในเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไหมเป็นไม่เป็นเป็นเบื้องต้นของศีลเป็นเบื้องต้นของสมาธิและก็ปัญญาเขาเรียกเป็นเบื้องต้นของมรรคธรหมจรรย์ด้วยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อการตัดรู้เพื่อพระนิพพานเหตุนั้นเราจึงพยากรปัญหานั้นเพอเหตุนั้นแหละเธอจงจําปัญหาที่เราไม่พยากรโดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรและจงจําปัญหาที่เราพยากรโดยความเป็นมหาที่เราพยากรเนี่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านมาลุงกยบุตรก็ยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเออมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าต้องย้อนดูนะ รองย้อนดูในคําสอนนี้แล้วก็มาตรึกลงจะได้พิจารณาในอริยสัจมาพิจารณาตรงที่บอกว่าการไม่พยากรณ์นั้นคือท่านมาลงกจียบุตรบอกว่าถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์แล้วจะเป็นที่ชอบใจแก่เราแต่ถ้าเออถ้าหากไม่พยากรณ์จะไม่ชอบใจแก่เราแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์จึงจะเป็นที่ชอบใจแก่เราใช่ เราเคยตั้งทิฏฐิไปแบบนี้ไหมในขณะที่เราไปตรึกคําสอนไปฟังคําสอนไปเรียนเนี่ยเอถ้าเรียนเรื่องนี้แล้วจะเป็นที่ชอบใจแก่เราแต่ถ้าไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะไม่เป็นที่ชอบใจแก่เราใช่ไหมนั่นคือเขาเรียกว่ามีทั้งตัณหามีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิหมดเลยนะนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราถ้านั่นเรานี่คืออะไรตัณหาถ้านั่นของเรานี่คือมานะถ้านั่น ของอัตตาของเราตัวตนของเรานี่เป็นทิฏฐิพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเป็นอะไรจะมาทวงจะมาทวงกับใครลราเพราะว่าความว่าผู้ขอพึงทวงกับผู้ยืมนะถ้าหากว่าเราจะไปขออะไรเนะี่ยแปลว่าคนคนนั้นยืนยไปหรือว่าผู้ยืมควรจะทวงกับผู้ขอท่านน่ยไม่ใช่ผู้ขอและไม่ใช่ผู้ยืมบัดนี้ท่านเป็นอะไรจะมาทวงอะไรกับเรานะีนะ่ในธรรมนองวเจ้า บอกท่านไม่มีอะไรที่จะมาทวงอะไรกับเราเลยอีกประเด็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาว่าบุรุษถูกแทงด้วยลูกศรคือถูกฆ่าสึกเขาแทงเอาเนะลูกศร น, นั้นอาบยาพิษถามว่าแพทย์ที่ชำนาญเนี่ยทำการผ่าตัดเย็บแผลทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าบุรุษนั้นไม่ผ่าตัดเพราะเหตุแห่งการที่ไม่ได้รู้ว่าใครยิงเป็นต้นเนี่ยถามว่า ท่านผู้นั้นก็จะต้องเข้าถึงคือตายเปล่าฉันใดนนการรู้ปัญหาว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดใช่ไหมโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยเป็นต้นเนี่ยที่สุดจริงๆจะกลายเป็นบุคคลที่ตายไปเปล่าทํากาล้าไปเปล่าๆไม่ได้สัมมาทิฏฐิอะไรเกิดขึ้นเลยในกระแสจิตมองออกใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้สัมมาทิฏฐิอะไรที่เกิดขึ้นเลยในกระแสจิต อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทิฏฐิมีอยู่อย่างนั้นนะนะถามว่าแล้วชาติยังมีอยู่ชาติคือการเกิดเมื่อทิฏฐิมีอยู่อย่างนั้นแหละการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะไม่มีฉะนั้นในขณะที่ประพฤติถามว่าในขณะที่มีทิฏฐิลาโมกเกิดขึ้นมาถ้ายังยึดมั่นความเห็นอย่างนั้นอยู่การประพฤติพรหมจรรย์แค่ศีลเนี่ยของท่านพูนั้นมีไหมไม่มีแล้วท่านพูนั้นตกจากพรหมจรรย์เมื่อตกจากพรหมจรรย์ชื่อว่าตกจากอะไรยอมดูตกจากศาสนาไหม ตกจากศาสนาโอกาสจะทำสัมมาทิฏีิให้เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยเพราะไม่มีพรหมจรรย์เบื้องต้นนี่เป็นอย่างนั้นเนะเขาเรียกว่าพินาบแล้ ว, ลวเพราะสาวกทั้งหลายของเราเบื่อหน่ายในชาติในชราในบรณะเป็นต้นเหล่านั้นจึงเพียรพยายามในการที่จะบรรลุพันธุภานในศาสนานี้แหละใช่ไหเขาเบื่อหน่ายกันหมดแล้วยังมาถามปัญหาอะไรกันู่ เพรจริงๆแล้วมันน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมยังม้งโมโหมาถามปัญหาอะไรก็ไม่รู้มาชี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะเป็นไปเพื่อการตักรู้เพื่ออริยสัจดูก่อนมาลุงกระยะบุตรนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยทิฏฐินี้ก็ดีพยากรณ์นี้ก็ดีไม่ได้อาศัยเหตุเลยไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แม้แต่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็ไม่มีศีลในส่วนเบื้องต้นก็ไม่มีนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหนา่ายเป็นต้น เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าในสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีทุก์เราจะรู้ได้ยังไงก็บอกว่าถ้ากําหนดลงอริยสัจในสูตรโดยที่โดยเฉพาะในสัมมาทิฏฐิสูตรที่ท่านตรัสบอกว่าอริยสัจในคัมภีวิสุทธิมรรคท่านจะบอกว่าสัจจะที่เป็นที่พระริยาเจ้าตรัสรู้หรือว่าสัจจะของพระริยาเจ้าสัจจะที่ทําให้เป็นพระริยาสัจจะอย่างอริยะหรืออย่างแท้แน่นอน การที่จะทําสัจจะความจริงให้เกิดขึ้นคือสัจจะที่พระอริยะเขาตัดสู้กันเนี่ยฉะนั้นข้าหาก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ทุก์เนี่ยเราก็ไม่รู้สัจจะของพระอริยะเขาแล้วก็สัจจะของพระอริยะสัจจะที่ทําให้เป็นพระอริยะสัจจะอย่างอริยะหรืออย่างแท้ที่แน่นอนเพราะจริงๆถังว่าสัจจะที่พระอริยะเขาตัดสู้ก็ต้องตัดสู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกขนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยก็คือว่าอะไร พระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทุกอริยสัตว์คือทุกขชาติคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชะลาคือความแก่ก็เป็นทุกพยาที่ความเจ็บก็เป็นทุก์มรณะความตายก็เป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกการพลัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกขปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกขโดยย่ออุปาทานขันต์ตั้งห้าเป็นทุกข์อันนี้คือทุกขอริยสัตว์ส่วนจุดขยายล่ะ ทุกข์เาแปลว่าอะไรชาติทุกข์เนี่ยถ้าไปพิจารณาอย่างนี้น right so ีการอย่างลงการปฏิสนธิลงการอย่างลงสู่ค no ันเนี่เป็นทุกข์ไหมโอ้ถ้าพิจารณาอย่างนี้เห็นเลยนีการอย่างลงสู่คันของสัตว์ทั้งหลายเนี่เป็นทุกข์เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะทีนี้ในคําสอนที่ท่านบอกทุกข์อริยสัตว์เป็นฉนไหนชาติเป็นทุกข์เชลาเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะจนถึงโดยย่ออุปาทานก็เป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์อริยสัตว์เป็นอย่างไร ความเกิดความเกิดพร้อมการก้าวโรงการบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความกลับได้มาอาญตนะในหมู่สัตวตนั้นกล่าวว่าเป็นชาติความบังเกิดขึ้นความเกิดพร้อมเนี่ยการหยั่งลงการปฏิสนธิในพบทุกพบในชื่อว่าทุกนั้นหยั่งลงมาแล้วการที่จะได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการได้มาของกองทุก การที่จะได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกขึ้นมานั้นคือการได้มาของสารพัดทุกขนะ์เราจะได้สารพัดทุกข์เพราะชาติทุกข์เพราะทุกข์คือการเกิดเนี่ยสารพัดเลยที่เราจะได้จากการเกิดปัญหาทุกปัญหามันจะประชุมมันก็จะหยั่งลงจากการที่ชาติทุกข์นั่นแหละ คือการอย่างลงอย่างลงพร้อมไปการก้าวลงการบังเกิดขึ้นบางเกิดเฉพาะเนี่ยการปรากฏแห่งขันไม่ว่าจะขันห้าขันสี่หรือก็ขันหนึ่งล้วนแต่ว่าล้วนแต่เป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่ตั้งลงแห่งกองทุกใช่ไหมโดยเฉพาะว่าทุกในอาบายเนี่ยถามว่าจะทุกปันไดถ้าเราไปเกิดในอาบายภูมิใช่ไหมไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ฉาบหรือสัตว์นรกเนี่ย ถามว่าเรายังไม่พ้นเลยเชื้อหรือยางเหนียวที่จะไปถือปฏิสติในภพในภพเหล่านั้นเนี่ยเรายังไม่มีข้อปฏิบัติอันใดที่จะเป็นที่มั่นใจได้เลยยิ่งเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างนี้สําหรับกลุ่มที่เป็นกัลยาณ์ุรุชนทั้งหลายเนี่ยที่ศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะเริ่มกังวลกับต น, นเองเหมือนกันว่าเถ้าตรึกพิจารณาไม่ดีเนี่ยถ้ายังไม่สามารถละปัญหาจะได้เนี่ยมันก็จะต้องมี ชาติทุก์ทุกคือการเกิดคือการย่างลงการกร้าลงเนี่ยการได้มาซึ่งอายตนะทั้งหลายอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจใช่ไหมเมื่อมันได้สิ่งเหล่านี้มาแนละ้ว สรุปแลกวคือต้องบริหารต้องดูแลแบบเบ็เสร็จนะเราได้อะไรมาเนี่ยถามว่าเราได้อะไรมาได้รูปน้ําขันห้าเรียกเพืส่วสวยหรูใช่ไหมแต่ถามว่าเราได้ตัวอะไรมาซึ่งเราจะต้องมาดูแลประคบ ป, ประงมถึงเพียงนี้แล้วก็จะต้องมาทํากรรมอะไรอย่างอีกแสนสาหาัสเพราะเราได้ชาติทุกมาการอย่างลงดาน9้าลงมาเนี่ยปัญหาต่อไปคือว่าเมื่อได้ชาติทุกข์มาแล้วเนี่ยถามว่าเลิกได้อะไรตามมา เมื่อมีชาติทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างก็คือชราก็ชาติแม้ชาติกับแม้ชาติคือการเกิดก็เป็นทุกข์ที่ท่านบอกเขาไว้ถามว่าเป็นทุกข์ยังไงทุกข์โดยการที่บอกว่าการหยางลงเนี่ยการหยางลงในทุกข์เนี่ยนะเมื่อมีชาติทุกข์ทุกข์คือการเกิดแล้วเนี่ยถามว่าต่อมาอะไรละการผุดลงเนี่ยการผุดขึ้นแต่ละจุดเนี่ย มันนามาซึ่งต่อมาในสิ่งที่จะตามมาคือชราทุกชราทุกขในระยะสัตว์เป็นอย่างไรบอกว่าความชำรุดนี่หรือชาติเขาให้มาให้ความชำรุดความที่ฟันต้องหักความที่ผมต้องหงอกความที่หนังต้องเหี่ยวยน่นความที่เสื่อมอายุความที่เสื่อมอินทรีย์ทั้งหลายเ ด, ด็ตาก็เริ่มฟ้าฟางหูก็เริ่มจ ะ, จะไม่ค่อยได้ยินจมูกก็โสกกลิ่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องลิ้นก็รับรสอาหารไม่ได้เต็มที่ กายก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงแห้งลงอย่างเนี้เลยหรือแม้ในที่สุดทางด้านจิตใจก็เสียหายเห็นไหมว่าความที่มีผมหงอความที่หนังเหี่ยวย่นความที่เสื่อมอายุความที่อินทรีย์คือจักขุจักขุซซนซีโสตินรียคือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายก็เริ่มฟ้าฟางลงในหมู่สัตว์นั้นๆแม้สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าชลาชลามันปรากฏมาเพราะเราได้ชาติคือการเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะ นี้ประการต่อมาไม่ได้อย่างนั้นคือมรณะมรณะในทุกขสัตว์คือความตายนี่นนที่ว่าจุดติจุดตินี่แหละบางครั้งปฏิสนทิวันนั้นขณะนั้นเคลื่อนย้ายอีกขณะหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงซะแล้วเนี่ยฉะนั้นความเคลื่อนความแตกความหายไปความถึงตายความตายใช่ไหมความทํากาละการแตกไปแห่งขันมีรูปมารูปก็เพื่อจะวิบัติมีเวทนาสัญญาสังขารยิ่ญาณมา มีสิ่งเหล่านี้มาก็เพื่อที่จะมาเพื่อวิบัติโดยแท้โดยสรุปก็คือมีผมมาเพื่อให้ผมวิบัติมีขนมาเพื่อให้ขนวิบัติมีเล็บมีฟันมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นต้นเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะมาวิบัติเพื่อจะมาทิ้งอะไรทิ้งซากศพการขาดไปของชีวิตตะลูปชีวิ ต, ตนามนี่ยใช่ไหมของหมูสัตว์นั้นๆแห่งสัตว์นั้นๆชื่อวนะ่ามรณะ ฉะนั้นเมื่อมีตรงไหนมันก็ขาดสะบั้นลงตรงนั้นดูถือว่าชี้เราดูข ณ, ขณะขณะมรณะสิอุปาทขณะของรูปตั้งขึ้นพอถึงทีติขณะใช่ไหมตั้งตั้งขึ้นพอถึงพังคะขณะของรูปชีวิตรูปดับไปในกลุ่มกลุ่มนั้นก็ดับไปแตกไปนามขันก็แตกดับไปถามว่ามีเพื่อจะมาวิบัติเนี่ยนี้หรือคือสิ่งที่ดีนี้หรือสิ่งที่ ควรจะชื่นชมใช่ไหมที่นี้มันไม่ได้มีแค่นั้นประเด็นต่อมาก็คือว่าโศกเนี่ยในทุกขริยศาสตร์ในความโศกกิริยาที่จะต้องโศกผู้ที่โศกความโศกณภายในความตรอมใจภายในความเผาจิตความเสียใจเหมือนกับลูกศรในีนความโศกแห่งบุคคลผู้ถูกความความอะไรความเสื่อมแห่งญาติถ้าหากว่าในคําสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าความชิบหายแห่งญาติ ท่านใช้ศัพท์นี้จริงๆนะความวิบัติไปแห่งญาติถามว่าความโศกตา ม, มาใช่ไหมไม่ต้องวิบัติแห่งญาติหรอกวิบัติแห่งในกลุ่มของในสรีระในร่างกายของเราเนี่ยมีจุดใดจุดหนึ่งเกิดวิบัติไปเนี่ยถามว่าอะไรจะตามมาเขาบอกว่าโวย เสียหายแนละ้วหรือว่าความเสื่อมหรือความวิบัติไปแห่งทรัพย์สมบัติมากระทบเข้าหรือว่าความวิบัติต่างๆเหล่านั้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บมากระทบขึ้นมาถามว่าจะเป็นยังไงนะโรคภัยไข้เจ็บมากระทบกระทั่งแล้วเนี่ยถามว่าเป็นยังไงหรือว่าเมื่อถูกความวิบัติแห่งศีลใช่ไหมเกิดประพฤติชั่วทั้งหลายลองคิดดูว่าคนที่ทํากรรมชั่วทั้งหลายนี่นะ ทำอกุศลกรรมอันลามกทั้งหลายเคยทํากรรมไม่ดีทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยถามว่าถ้าถ้าเขาอยู่คนเดียวจริงๆถ้าเขาจะตายจริงๆทั้งๆที่เขาบอกว่ยเขาเป็นคนไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวนรกไม่กลัวไม่กลัวอะไรต่างๆไม่กลัวการเวียนว่ายตายเกิดถามว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าศีลของเขาวิบัติเขาเคยทํากายทุจริจิตวจีทุจริตและมโนทุจริตมาเป็นจํานวนมากเนี่ย ถามว่าถ้าใกล้ต่อมรณะภัยขึ้นมาเกิดจะต้องวิบัติขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าถูกความวิบัติแห่งทิฏฐิมากระทบเข้าความเห็นถ้าวิบัติขึ้นมาแล้วตนเองก็ออกจากความเห็นนั้น ไ, ได้ไม่รูจะออกอยังไงพะไม่มีข้อปฏิบัติหรือวิธีคิดที่จะออกจากความเห็นนั้นๆถามว่าจะเป็นยังไงผู้ที่ประจวบกับความวิบัติอื่นๆ สารพัดนะมีอะไรที่จะไม่วิบัติสิ่งนั้นใช่ไหมนะีลักษณะอย่างนั้นแหละผู้เหตุถูกทุกกระทบกระทั่งแล้วนี้เขาเรียกว่าความโศกก็จะตามมาจะลืมนะว่าเอกโศกคือความโศกเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะในกระแสจิตเนี่ยหยุดดีใจเมื่อไรเนี่ยหรือหยุดเฉยๆเมื่อไรความโศกเข้าทุกขณะนั้นความโศกจะมากั้นเป็นระยะระยะในขณะที่อารมณ์ทั้งหลายมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยใจฉะนั้นเมื่อความโศกมาปิด มนุษย์ตลอดเวลาหรือสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยสัตว์โลกไม่รู้ว่านั้นน่ะคือโศกะในอริยสัตว์นั้นน่ะปรากฏแก่เขาแล้วเพราะเขาไม่ได้กําหนดลู่เพราะเขาไม่รู้จักทกเขาไม่รู้จักทกคือชาติไม่รู้จักทกคือชราไม่รู้จักทกคือมรณะไม่รู้จักทกคือความโศกอย่างแท้จริงประการต่อมาก็คือว่าไม่รู้จักทกคือปริเทวะความโศกเนี่ยมันเหมือนกันกับว่าน้ํามันเดือดแต่มันเดือดอยู่ภายใน ถ้าเป็นหม้อต้มมันก็ยังต้มอยู่ดีมันยังไม่เดือดปุดๆมากอะเพียงร้อน่ะมองเห็นไหมคนอื่นมองไม่ดีไม่เคยรู้บางเว้นไว้แต่ว่ามันโศกมากๆหน่อยจะรู้ใช่ก็จะสามารถที่จะรู้ได้สังเกตจากแววตาสังเกตกิริยาหน้าตาเนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าท่านู้นี้นะ่ะโศกกระทบกระทั่งแล้วความโศกครอบงำถามว่าถ้าเป็นจุดของปริเทวะอนะ ในอริยศาสตร์จากความข้ามครวนความร่ำไรความเป็นผู้ร่ำไรความเป็นผู้รำพันการที่บ่นเพ้อด้วยวาจาหรือด้วยการเพ้อด้วยการพูดพร่ำเพ้อกิริยาที่พูดพร่ำหรือว่าความเป็นผู้พูดพร่ำเพ้อแห่งบุคคลผู้ถูกความวิบัติแห่งญาติความวิบัติแห่งสตรีละความวิบัติแห่งโรคภัยไข้เจ็บความวิบัติแห่งศีลความวิบัติแห่งทิธี ความวิบัติเน่งโผคะทั้งหลายมากระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาความบ่นเพ้อก็จะตามมาใช่ไหมมันเหมือนกับการต้มน้ําแล้วน้ํามันเดือดคือมันล้นออกมานั่นเองเดือดจนล้นออกมาเนี่ยแหละหรือเหมือนกับเราหุงน้ํามันนะนะำต้มน้ํามันเคี่ยวน้ํามันมันล้นออกจากฝากระทะเนี่ย คนที่มีปริเทวะก็เหมือนกันก็จะต้องแสดงให้กับบุคคลอื่นรู้ด้วยการที่บ่นเพือออกมาทางกายทางเอิรเพื่ อ, อ, อมาทางวาจากิริยาท่าทางก็เป็นไปแปลกๆต่างๆนานาใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นว่าเขาทุกอย่างนั้นยริงๆแต่เขาไม่รู้อริ ย, ยนะสัจใช่ไหมสัจโลกทั้งหลายไม่ได้กําหนดรู้อริยสัจเนี่ยเขาก็บ่นเพื่อไปตาม อำนาจของโทสะจิตอำนาจของอกุศลจิตที่เป็นปัจจัยแห่งการที่ทําให้เขาบ่นเพล่เหมือนโทสะที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันในขณะที่โทสะเกิดขึ้น่ะก็ด้วยอำนาจของโทสะนั่นเองเป็นตัวถักดันทําให้จิตจชรูปเป็นไปทําให้อาการของบุคคล น, นั้นเริ่มจะวิปริตไปถ้าเป็นปริเทวะนาอาการวิปริตนั้นก็มากมายนะประการต่อมาก็คือว่าทุกข์ ในอริยสัจเป็นอย่างไรบ่าความไม่สําราญความลําบากอันมีทางกายเนี่ยในขณะที่ร่างกายของตนเองเนี่ยถูกความทุกข์ต่างๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะเนี่ยความทุกข์ความลําบากที่สัตว์เสวยแล้วซึ่งเกิดแต่สัมผัสในขณะที่เราได้กายสัมผัสที่ ไม่น่าพอใจหรือกระทบกระทั่งกับสิ่งของที่แข็งแข็งเป็นต้นกิริยาที่ไม่สำลานคืออยู่ในอิริยาบทที่ไม่เหมาะไม่สมเป็นต้นเนี่ยนะทุกขเวทนานะเกิดแต่กายสัมผัสนี้ท่านเรียกว่าทุกขถามว่าในขณะทุกอย่างนี้เกิดขึ้นนี่แหละผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้ว่านี้ทุกเนี่ยก็ไม่รู้จักทุกเหมือนกับว่าไม่รู้เกิด ไม่รู้แก่ไม่รู้ตายไม่รู้ความโศกไม่รู้ปริเทวะคือการบ่นเพอ้อไม่รู้ทุกขะคือทุกข์กายและไม่รู้โทมนัทในทุกอริยาศาสตร์ความไม่สําราญความไม่ความลําบากอันมีทางใจความเกิดขึ้นทางใจถ้าถึงขนาดโทมนัทนี่ถือว่ามากกว่าทุกขทางใจนะมากกว่าโศกนะโทมนัทเนี่ย ควาลำบากที่ศาสเสวยแล้วเกิดแต่สัมผัสทางใจกิริยานไม่สำรานทุกขเวทนานเกิดจากสัมผัสทางใจไอตัวทุกขเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยทําให้เกิดโทมนัทเขาเรียกโทมนนานัทนสเสวยธนาโทมานัสเวทนามีโทสะเป็นตัวผลักดันทําให้เกิดขึ้นมาแต่ถึงจะโทมานัสเวทนานเกิดขึ้นก็จริงใช่ไหมอาการที่มันปุ้งขึ้นกระจายขึ้นนั้นก็จริง แท้ที่จริงในเวลาเนี่ยเวลาปริเทวะนี่มันล้นออกมาใช่ไหมถ้าเป็นโทมนะทางใจเนะี่ยมันก็เริ่มยุบลงเลยแต่มันเป็นการยุบลงแห่งการที่มันใกล้จะหมดใกล้จะหมดอะไรใกล้จะหมดน้ํามันใกล้จะหมดน้ําที่ต้มใกล้จะหมดอะไรเหมือน ก, นกันกับการว่าอุปายาตจะตามมาคือถ้าโทมนะเกิดขึ้นก็คือต่อไปอุปายาตจะตามมานะอุปายาษ า, าในทุกอริยสัจเป็นยังไงความแค้น ความแค้นเคืองความเป็นผู้แค้นความเป็นผู้เคืองแห่งบุคคลผู้ถูกความวิบัติแห่งญาติมากระทบเข้าความวิบัติแหง่งโรคภัยไข้เจ็บความวิบัติแห่งทรัพย์สมบัติความวิบัติแหง่งศีลความวิบัติแหง่แหงทิฏฐิอั ล, ลามกทั้งหลายที่กระทบกระทั่งเป็นต้นเนี่ยนะของบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าอุปายาตถามว่าถ้าอุปายาตเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะตามมา แห้งหมดใช่ไหมสักนี้ที่ไปไหนไม่เป็นแล้ววะงั้นอันนั้นคือทุกข์ขนาดหนักแล้วการประจวบกับสังขารและสัตว์อันไม่เป็นที่รักทุกๆอริยสัตว์เป็นอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโพธิภพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าไขไม่น่าพอใจในโลกนี้ย่อมเกิดแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้ อ, อกูลไม่หวังความสบายไม่หวังความปลอดโปร่งในโยคะ โดยการปราศจากโยคากิเลสเกิดสัตว์นั้นการไปรวมกันการมารวมกันการอยู่รวมกันการทํากิจร่วมกันกับสังขารและสัตว์เหล่านั้นนี้ท่านกล่าวว่าความประจวบกับสังขารแสัตว์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เออพิจารณาอย่างนี้ไหมว่าถามว่าถ้าเราได้เห็นสีที่ไม่น่าพ อ, พอใจเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมทั้งหลายที่ไม่น่าพอใจเนี่ยหรือว่า ไม่พอใจในสถานที่ ท, ที่อยู่ไม่พอใจสภาพร่างกายของตนเองหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังประโยชน์คือเราไปอยู่กับใครแต่บุคคล น, นั้นน่ไม่ได้หวังประโยชน์กับเราไม่ได้หวังความสบายแก่เราไม่ได้หวังความปลอดโปร่งความสำราญใจแก่เราเลยถ้าเราไปอยู่ในกับบุคคลคนนั้นขึ้นมาเนี่ยถามว่าจะทุกข์เป็นใดใช่หมการอยู่กับสัตว์และสังขารที่ไม่น่าปรารถนาเป็นทุกข์ไหม เป็นทุกข์ลองให้ไปอยู่ร่วมกับใครสักคนที่ว่าไปอยู่กับสัตว์สังขารที่ไม่น่าปราถนายกตัวอย่างเช่นถ้าทําสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นดีแล้วเนีย่ยยอมตัวพิจารณาอย่างนี้ถ้ามีกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีด้วยนะเอาเบื้องต้นนีะเป็นอย่างดีเนะี่ยแล้วกลับไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยถามจะเป็นยังไงจะเป็นทุกข์บันงใด เพราะเขาก็จะทํารูปเสียงกินรสสัมผัสให้ในสิ่งที่ไม่น่าปราถนาให้กับเราเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลลวลาเพราะเขาไม่ได้หวังความกเกษมจากกิเลสให้ให้ให้เราหมดกิเลสเขาก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยทําให้เรานั้นลุ่มหลงลุ่มหลงในอะไรลุ่มหลงในสัตว์และสังขารทั้งหลายนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ในที่สุดจริงๆเราก็งดหิรูเอ๊เราก็จเจริญกุศลไม่ค่อยได้คนคนนี้ก็คอยกลั่นแกล้งอยู่เล้วเลยถามว่าจะเป็นอย่างไร ฉันถ้าหากว่าทําสมาธิให้เกิดขึ้นมาแล้วการไม่ได้สมปราตนหนายังเป็นทุกข์และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าถามว่าการที่จะต้องไปร่วมกันกับคนคนนั้นการมาร่วมกันการไปร่วมกันการอยู่ร่วมกันการทํากิจกรรรูปกับกิจกรรมร่วมกันกับคนคนนั้นเน่ยถามแล้วไม่ชอบที่หน้าใครเนี่ยเด็เขาคือเ็กเขแม้บอกว่าให้เดินทางด้วยกันทั้งไปและกลับ กิจกรรมอะไรต่างๆทําด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันแต่เราเกลียดที่สุดกับคนคนนั้นถามว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่รวยเป็นทุกข์หมอโอ้โหทำไมเราต้องขนาดนี้ก็บอกคนทะเลาะ ก, กันก็บอกว่าเอาโซ่มัดติดกันจะกินข้าวกันต้องเก้าด้วยกันจะกินข้าวต้องกินด้วยกันจะไปอะไรต้องไปด้วยกันแต่เกลียดกันที่สุดกี่หลจะขนาดไหนบอกเช่นว่ที่คนนึงเป็นโรคร้ายเป็นโรคเอดอย่างรุนแรงแล้วหนองนเน่าเพื่อแล้ว แต่เรานี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่วราเอก็แม้ว่าผูกติดกันลองคิดดูถามว่าเราจะทุกข์สักปานใดวังเงี้แท้ที่จริงมันขนาดนั้นได้ซ้ํำไปใช่ไหมในจิตเนี่ยจิตใจที่ฝึกอรมอาอบรมมาเป็นอย่างดีทําสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเป็นอย่างดีถ้ามองสรีระในขันขันนี้แล้วมีอะไรที่สวยงามไหมเราอยู่กับซากศพลองคิดดูที่ในกลุ่มของบุคคลที่ตรึกพิจารณาเป็นอย่างดีเขาจะเอือมละอาตนเองสักปานใด แต่เขาเอื้อมละอาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะรู้แจ้งเพื่อจะทิ้งถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในศรีระในตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันล้วนแต่ของไม่งามคืออะไรเกิดขึ้นสุภาสัญญาวิปลาสคือการไปเห็นขลาดเคลื่อนว่างามในสิ่งที่ไม่งามเป็นต้นเห็นไหมว่าการที่เราจะต้องถูกผูกจิตของเราที่จะต้องมา มันเหมือนกับความรู้สึกของเราที่จะต้องมาอยู่กับซากอะไรที่มันเน่าเน่าเนี่ยท่านจะเอือมละอาขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าการเอื่อมละอาของท่านนั้นเป็นการทําสมาธิฐีนีซึ่งต่าง ก, กันกับกลุ่มของบุคคลที่อยู่กับคนที่ไม่พอใจแล้วจะเป็นปจัจจัยเกิดโทสะบ่อยๆซึ่งต่างกันกับอะอย่างนีแต่เอามาเปรียบเทียบกันนะพอได้อยู่เนี่ยท่านบอกเป็นทุกข์ที่ี้การพัดพากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนะ่ยเป็นทุกทุกอริยสัตว์เป็นยังไงสังขารเราใด สังขารในที่นั้นเป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาเ อ, อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏพลาหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจในโลกนี้ย่อมมีแก่บุคคลนี้หรือบุคคลนั้นนะหรือสัตว์เราใดถามว่าสัตว์เราใดในที่นั้นก็หมายความว่าอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่บิดามารดานี่นะพี่ชายน้องชายน้องสาวเป็นต้นเนี่ยนะมิตรพวก้องหรือญาติสายโลหิตอันเป็นผู้หวังประโยชน์หรือผู้หวังความเกื้อกูลหวังความสบายแก่เรา หวังความปลอดโปร่งแก่เราจากโยคะกิเลสแก่บุคคลนั้นการไม่ได้ไปร่วมกันถามว่าถ้าเราไม่ได้ไปร่วมกับบุคคลที่เรารักถึงป่านนี้ไม่ได้มาร่วมกันไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้ทํากิจร่วมกันกับสัตว์และสังขารเหล่านั้นเนี่ยการพัดภาคจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นมันเป็นความทุกข์จ ร, จ ร, ริงๆใช่ไหมเป็นความทุกข์ไหมถามว่าโอ้ยเราชอบมากกับคนคนนี้ยแต่เรากลับไม่ได้อยู่กับคนคนนี้ แล้วปรารถนาอยากจะอยู่ใกล้คนคนนี้แต่เราไม่ได้อยู่ต้องการจะเดินไปกับคนนี้ขากลับก็จะกลับกับคนนี้การอยู่ก็จะอยู่คนนี้กิจกรรมร่วมกินร่วมนอนร่วมบริโภคเป็นต้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้โดยเฉพาะกับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นต้นนแล้วมันไม่ได้ตามปรารถนาตามยศากสายคนอื่นเพราะจะไปกับท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้เป็นผู้หวังประโยชน์แก่เรา หวังให้เราปลอดโปร่งเกษมจากโยคะกิเลสทั้งหลายนะแต่เราก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในการเจริญบุญเป็นต้นเนี่ยนะดังนั้นความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ในอริยรนะสัตว์นะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเข้าใจคําว่าความเกิดเป็นธรรมดาไหมเข้าใจคํำว่าไหมคำว่าความเกิดเป็นธรรมดาคือความเกิดเป็นธรรมดาของบุคคลที่ต้องมีกิเลสสรุปคําว่ามีความเกิดเป็นธรรมดามีความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า ขอเราทั้งหลายอย่าได้มีชาติเป็นธรรมดาแต่ว่าปราถนาได้ไหมถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปมีชาติคือการเกิดเป็นธรรมดาอยู่นะปราถนาได้ไหมถึงเราปราถนาอย่างไงก็ไม่ได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเพราะชาติอย่าได้มาถึงแก่เราเลยเอาอย่างนู้ในขณะที่เราเกิดมาเรากลัวไปเกิดใหม่ ไ, ไหมปราถนาไหมไม่อยากไปเกิดใหม่ โดยเฉพาะว่าไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตเลยไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเลยไม่เกิดอยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไม่ได้เกิดไม่อยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่บาบายบอดหนวกไม่อยากจะไปเกิดเป็นคนจนไม่อยากจะไปเกิดเป็นคนขอทานพิกคนพิการต่างๆเลยไม่อยากเกิดเป็นคนจนนี่ไหมอยากเกิดเป็นคนมีสติปัญญาหน้าตาดีอยากเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเละอยากจะเป็นคน รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วปรารถนาได้ไหมถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยเห็นไหมปรารถนาได้ตั้งความรู้สึกอย่างนั้นได้ซึ่งก็ตั้งกันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แต่ไม่ได้หรอกถึงว่าถึงจะบอกขอเราทั้งหลายอย่าได้มีชาติเป็นธรรมดาและชาติอย่าได้มาถึงเราเลยเนี่ยข้อนี้อันตรัด ท, ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่ได้ตามปรารถนาเรามีชาติตามเป็นธรรมดานะมีความเกิดเป็นธรรมดา แต่จะเกิดเป็นธทำอะไรนั้นไม่จะเกิดจะเกิดเป็นอะไรนั้นไม่ได้สมประหลาดถนาไม่ได้เลยอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่ในปฏิปทาในข้อปฏิบัติของเรามันไม่ได้ทําเหตุปัจจัยที่จะเป็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานประหลาดก็ยัง้งลุ้มไปดูอยู่นั่นแหละถามว่าไปเพาะเชื้อปฏิสนธิไว้แล้วใช่ไหมบอกอุ้ยสวยงามจริงๆอย่าลืมต้องไปดูให้ได้เสียเงินเสียทองก็ต้องไปดูไปดูอะไรไปดูอไบรรยาสัตว์ไปแปะไบรรยภูมิ ต้องการไปดูใบยอย่าผมต้องการไปดูไว้ก่อนเดี๋ยวไปไว้ทีหลังแต่เชื่อว่าถ้ายินดีพอใจตัณหาเกิดในสิ่งนั้นหรือยังรูปปตัตนหาเกิดแล้วถ้าจะยินเสียงชอบใจเสียงร้องสรัท ธ, ธาตัณหาเกิดหรือยังเกิดแล้วถ้าได้กลิน่นโอ้ยกลิ่นก็ดีเขาสะอาดดีจริงที่ตรงนี้คันทะตัณหาเออถ้ากินอาหารดีจริงรักษาตัณหาเออได้อยู่ที่อยู่ดีจริงมีแอร์ด้วยโสดภาตัณหา เออมีดนตรีมีอะไรคอยกล่อมเขาอยู่ตลอดเวลาทำมาตัญหาสรุปแล้วก็คือตัญหาหกได้เกิดขึ้นมาเบ็ดเสร็จเหตุปัจจัยในการก่อปฏิสนธิตั้งไว้แล้วขนาดนั้นนะมองให้เห็นว่าชาติเนี่ยบางครั้งเราอยากเกิดเป็นอีกอย่างแต่เราไปชอบใจอีกอย่างนั้นคือการไปเพาะเชื้ออะไรเนี่ยเพาะเชื้อปฏิสนธิ ใช่ไหมคล้ายๆไปเตรียมตัวไปดูไปดูปดลู่ทางมาแล้วว่ากันไปสร้างเหตุไว้เบ็ดเสร็จแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าข้าพเจ้าจะมาอีกครั้งชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลพบนี้ใช่ไหมชาวนาดวงที่เจ็ดให้ผลพบที่สองชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในพบที่สามเป็นต้นไปถามได้ดวงไหนให้ผลก็เรียบร้อยให้ผลได้ทุกดวงหมดที่ไปยินดีพอใจนะเพราะว่าครบกรรมครบแล้วนี่เป็นอย่างนั้น นั้นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายมีชราเป็นธรรมดาถามว่าขอชลาอย่าได้มีแก่เราเป็นธรรมดาและขอชลาอย่าได้มาถึงแก่เราจะไหนถามว่าขอเราทั้งหลายอย่าได้มีชราเป็นธรรมดาบอกว่าอย่าได้แก่เลยว่างั้นเถอะแล้วขอชราอย่าได้มาถึงเราว่าขอชรานั้นอย่าได้มาถึงแก่เรามันหมายความว่าอย การจะเดินเข้าไปหาชะลานี่ยจะได้มีแก่เราเลยประการต่อมาก็คือว่ามรณะขอได้ไหมนะขอขอมรณะทั้งหลายอย่าได้มีแก่เราเป็นธรรมดาใช่ไหมขอการตายอย่าได้มีแก่เราเลยแล้วขอการตายอย่าได้มาถึงเราเลยบางกีถึงขนาดไปอ้อนวอนกันเลยนะเรื่องการขอตรงเนี้ใช่ไหมไปถึงปุ๊บก็ไปอ้อนวอนเลยบอกว่าเอ้ยก็คือขอใช่ไหมขอมรณะอย่าเพิ่งมาถึงเราขอเราอย่าเพิ่ง ขอมรณะอย่าได้มีเป็นธรรมดาแกเราเนะี่ยขอเราอย่าได้ถึงแก่มรณะนั้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะและอุปาญาตนั้นนะขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะจนถึงที่บอกว่าเป็นธรรมดาความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายอย่าได้มีความโศความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลย แล้วก็ขอความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ขอความทุกข์กายขอความทุกข์ใจขอความคับแค้นใจเนี่ยไม่พึงถึงแก่เราทั้งหลายเลยข้อนี้อันสัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามปาฏิหานะความไม่ได้สมปรารถนาแม้อย่างนี้ก็เป็นความทุกขโดยย่ออุปาทานขานันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ทุกในเรียสัตว์นั้นเป็นฉไหนอุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันขัคือสนนัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณอุปาทานขันเหล่านี้ท่านกล่าวว่าโดยย่ออุปาทานขันเหล่าห้านี้เป็นทุกท่านเรียกว่าเป็นทุกขาอเริยสัตว์ออพิจารณาอย่างนี้นะว่าการที่เรา ได้ความทุกข์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านในพิจารณาบอกว่าลักษณะของขันการปฏิสนธิการยังลงเนี่ยถามบอกว่าชาตินี้เป็นทุกข์เพราะชาตินั้นเป็นที่ตั้งของทุกข์ไม่น้อยถามว่าเ อ, อ่ยย้อนไปดูชาติติทุกข์ถามว่าทุกขกทุกข์วิปริณามะทุกข์สังขาระทุกข์ปฏิชนะทุกข์อปฏิ แตน้ทุกปริยายทุกขนิปริยายทุกในทุกเหล่านั้นทุกทางกายและทุกทางใจท่านเรียกว่าอะไรเรียกว่าทุกข์ทุกขถ้ามีชาติคือการเกิดจะต้องมีทุกข์กายไหมจะต้องมีทุกขใจไหมถ้าทุกสองอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าทุกขขัทุกขสุขเวทนาท่านเรียกว่าวิปริณามะทุกข์เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยความเปลี่ยนแปลงโดยความเปลี่ยนโดยความแปรปวนอยู่ไหมสุขเวทนาดังที่เคยกล่าวแล้วก็ ทำความเข้าใจกันมาเนี่ยถามว่าไอ้ตัวสุขเวทนาเนี่ยมันตั้งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไอ้ตัวเปลี่ยนของมันนี่เขาเรียกว่าวิปริณามะทุกทุกเพราะการเปลี่ยนมันเป็นสุขถ้ามันตั้งอยู่แต่เป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแต่ตามความเป็นจริงและธรรมดาของเขาต้องเปลี่ยนไหมธรรมดาของสุขเวทนาหรือตัวสุขเวทนาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนฉะนั้นจริงจัดว่าเป็นทุกข์ขัด นี่แหละคือทุกขสัตว์นะถ้าโดยบุคคลทั่วไปไม่ได้ศึกษาคําสอนให้ดีก็จะไปเข้าใจว่าสุขโสมนัสเป็นต้นนี้เป็นอะไรเป็นสุขใช่ไหมเป็นโสมนัสเป็นความชื่นใจเป็นความพอใจเป็นสิ่งน่าปรารถนาแต่เขาปรารถนาในสิ่งที่จะต้องเปรียดแท้ที่จริงก็คือเป็นทุกข์คือวิปรินาทุกข์อุเบกขาเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาและสังขารนั้นเป็นไปในภูมิ3า สังขาร ter, ที่เป็นไปในไหนถ้าเว gue, ขาเวทนาเนี่ยกับขันที่เป็นไปในภูมิ3ามะรูปกายรูปไอ้รูปนามที่เป็นไปในภูมิทั้ง3ที่เป็นไปในกาลมาภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิและเป็นไปในรูปภูมินั้นเป็นทุกข์ไหมอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นสังขาระทุกข์ทำไมจึงเรียกว่าเป็นสังขาระทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับเมื่อมีขึ้นมาตั้งขึ้นมาเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วอะไรเระบีบคั้นมันถูกความดับบีบคั้น ก็กลายเป็นเกิดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งขึ้นมาเพราะเกิดขึ้นมาก็จะต้องวิบัติอีกแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อจะวิบัติเกิดขึ้นมาเพื่อจะวิบัติอย่างนี้นี่แหละเขาจึงเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสังขารและทุกข์ทุกข์เพราะการแตกดับหยูดเสมอๆความม า, าพาดทางกายควาหรือทางใจในมีการปวดหูปว ด, ปวดปันร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเป็นปฏิจจัชนทุกข์ทําไมจึงบอกราคะเกิดขึ้นนี่เป็นทุกข์ไว้ ความกำนัดความยินดีความพอใจความอยากได้ใดสิ่งใดๆในวัตถุสิ่งของที่ปรารถนาเนี่ยถามเป็นทุกข์ไหมโธ่สาเกิดขึ้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ปวดหูปวดฟันเป็นต้นเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์ปกปิดปกปิดไหมโยอนในขณะที่นั่งอยู่แล้วเกิดโธ่สาเกิดขึ้นใช่ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมโทมานัสเกิดน้อยใจเสียใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์แต่ทุกข์เหล่านี้ปกปิด ถามยังรู้ถ้าไม่ถามไม่รู้บอกยังรู้ถ้าไม่บอกไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นความเจ็บปวดนั้นไม่ปรากฏแต่ถ้าเป็นอาพาธที่เกิดจากสมุทฐานต่างๆจากกรรมกรต่างๆจากการลงโทษต่างๆเช่นการถูกทรมานถูกทุบถูกตีถูกทรมานถูกแร่เนื้อเนี่ยถูกชกถูกต่อยถูกทําร้ายต่างๆเหล่าเนี้อย่างนี้ก็แล้วทุกข์ไม่ปดไม่ปกปิดไม่ต้องถามก็รู้เพราะอาการของคนที่ถูกกระทํานั้นเนี่ย แสดงให้เห็นชัดเจนทุกแม้ทั้งหมดนั้นถามว่ามีอะไรมีอะไรเป็นเหตุมีชาติคือการเกิดนั่นแหละถ้าไม่มีการเกิดขึ้นมาไอ้พาระทั้งหมดนี่แปลว่าไม่ต้องมีเลยนะที่จริงการศึกษาในคําสอนตรงนี้คือประเภทแห่งทุกเนี่ยนะท่านให้พิจารณาถึงการหยั่งลงครั้งแรกการหยั่งลงสู่คันเป็นต้นนะให้พิจารณาถึงขนาดนั้นนายยกตัวอย่างเช่นยังไงรู้ไหมบอกว่าการหยั่งลงสู่คันนั้นนะ การเกิดในคันมารดาไม่ได้เกิดในดอกอุบล น, นะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ไปถือปฏิสนธิในคันมารดาเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ไปดอกในไม่เกิดในดอกอบุบลหรือดอกบัวหลวงเป็นต้นบัวขาวเป็นต้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยะคือที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นที่แพรพันธุ์อย่างดีอะไรเลยพอปฏิสนธิอย่างลงแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมานะก็เต็มไปได้วยความทุกข์เพราะสัตว์นั้นเกิดในท้องอันหน่าเกลียด เขาบอกว่ามีกลิ่นเหม็นประอกอบอวนไปด้วยซากสัตว์ทั้งหลายนานาชนิดด้วยถามว่าขนาดนั้นยังไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์อีกเห็นไหมจะเป็นงั้นไหมเรลยศถ้าเราไปเกิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหตรงนั้นดอกไม้เต็มไปหมดเลยเนะี่ย ล, ลื่นเลยเนะี่ยอันนี้หมายถึงการทุกขในการอย่างลงสู่ครันกับกลุ่มพวกเราทั้งหลายใช่ไหมถ้ากลุ่มเทวดาทั้งหลายเห็นไหมตรงเนี้ยเทวดาชั้นสูงสูงเห็นไหมเขาไม่มีครันเนี่ยโตขึ้นมาเลยพอเกิดขึ้นมาก็ดอกไม้ล้อมเต็ม พืมานล้อมเต็มนี่ก็ไม่เห็นทุกแต่ในกลุ่มของมนุษย์นี่เห็นเพราะจริงๆโดดลงไปไม่ใช่มีดอกไม้ล้อมเต็มมีอะไรล้อมเต็มซากสัตว์ตรงนั้นล้อมน่ยเต็มไม่หมดลยซากสัตว์ทั้งนั้นอยู่บนข้างบนอะไระกระเพาะอาหารใหม่ข้างล่างกระเพาะอาหารเก่านั่งทับอะไรอยู่นี่ออมสรีนั่งทับอะไรอยู่แล้วก็ให้ดอมกินอย่างนั้นเนี่ยตามสภาพของการอยู่แล้วมืดมิดด้วยในนั้นน่ยอยู่ในกลางพื้นท้องกระดูกสันหลังช่วงล่างเนี่ยกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอยู่ข้างบนน่ยนะกระเพะอาหารเก่าก็ดุดหนอนเกิดในปลาเน่าเหมือนหนอนที่ไปเกิดอยู่ในปลาเน่าไปอยู่ในขนมบูดเนี่ยหรืออยู่ในหลุมขยะเนี่ย <S <S เหมือนอย่างนั้ น, เ, นเหมือนกับกลุ่มพวกสัตว์ทั้งหลายที่ไปอยู่ในหลุมขยะน่ยสัตว์ทั้งหลายเกิดในท้องมารดาอบอุ่นอยู่กับท้องมารดานั้นเท่าไหร่สิบเดือนเป็นอย่างยิง่งที่เว้นจากการงอการเหยียดเป็นต้นถามว่าโอ้โหอยู่ยาวบทเดียวว่าไงนะจะลุกขึ้นไปเดินก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ขนาดดูแล้วก็เห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ก็ไม่รู้วอู้การเกิดเป็นทุกข์เตรียมดีใจกันไว้แล้วเอ๊มองอย่างนี้เห็นไหมพิจารณาเลยน่ารักใช่ไหมเขาบอกว่าในขนาดที่จะเห็นทุกข์จะเห็นอริยสัจโดยความเป็นทุกข์ที่จริงถ้าในพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรถูกไหมเพื่อจะให้เค้นทุกข์แล้วเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆที่ถามว่าถ้าละเว้นจากการฟังพระธรรมถ้าอย่างนั้นยังไม่น่าโนโมทนาวิธีปฏิบัติเลยเพราะเป็นการเป็นการยังไม่ได้ไปตรุก หรือไปพิจารณาต่อใช่ไหมไม่ได้ไปพิจารณาต่อเพราะศาสตร์เหล่านั้นในขณะที่มารดากําลังหกล้มก็ดีเดินก็ดีนั่งลุกเปลี่ยนอิเดียบทเป็นต้นเนะี่ยในขณะที่จะต้องรีบเดินหรือลุกอย่างรีบร้อนกระทาการงานใดๆอย่างรีบร้อนเนะี่ยย่อมเสวยทุกขเวทนาอย่างหนะักเพราะความเจ็บปวดมีการฆ่าการฉุดการถึงการขยับไปมาเป็นต้นเนะี่ยในขณะนั้นเนะ่ยเขาจะต้องร้องและต้อ ง, ต, องต้องทุกทรมานมากกว่านั้นเลย เหมือนลูกแกะที่อยู่ในมือของนักเลงโซลาลูกแกะที่อยู่ในมือของนักเลงโซลาเป็นยังไงหรือว่างูอ่ะอยู่ในมือของหมอเงูอ่ะเขาเล่นไหมอ่ะแมนดาพวกหมอเงูทั้งหลายเอางูมาแล้วโหวเล่นจนงูสบับกสะบอมหมดหมยังไงยมตัวที่เอางูไปแสดงทั้งหลายเนะี่ยโหเล่นจนงูลุกไม่ขึ้นสัตว์นั้นย่อมเสวยทุกหนักในเวลาที่มารดานั้นดื่มน้ําเย็นปรากฏเหมือนตกนรกเลย ในเวลาที่กินข้าวต้มร้อนๆเข้าไปก็เหมือนกับเพลิงอะไรดีๆเพราะมันไปอยู่ใกล้กันไหมพรลงอยู่สักกระัณฐ์ใช่ไหมเย็นจัดคนที่ชอบน้ําเย็นนะโอ้ลูกเนี่ยโดนทุกข์เขาขนาดไหนออกมาบางคนร้องสามเดือนเลยมันตกนรกเหมือนสาตย่ตยอมสวยทุกโดยการผ่าตัดเป็นต้นเนยนะถามว่าในขณะที่อยู่ในท้องมีการผ่าตัดมารดาผู้มีคันหลงในการเกิดทุกข์ก็ไม่ควรที่แม้มิตรอมารและเพื่อนสนิทเป็นต้น ก็ไม่ควรเดี๋ยวนี้ชื่อว่าเป็นมูลของความทุกข์ของความวิบัติแห่งการมีคันหรือในขณะที่ทุกเกิดแต่สตัตว์ผู้จะต้องถูกลมเบ่งของมารดา น, นั้นทำให้คลอดออกมาพลัดออกมากลับเข้าไปในช่องคลอดน่ากลัวอย่างนะักอย่างยิ่งเลย เหมือนกับตกลงจากเหวอันหนดุดช้างที่ฉุดกระชากออกจากช่องด่านเล็กๆในขณะที่ตกลงไปแล้วใช่ไหมจะต้องอยู่ในที่คับแคบปากช่องคลอดนั้นคับแคบอย่างยิ่งและดุดสัตว์นรกที่ถูกเขาคอยนรกชนิดนี้นะจะอยู่ในช่องแคบมากเขาเรียกว่าสังคาตานรกเนี่ยคอยบดให้ละเอียดนี้เป็นทุกข์จากมูลเหตุในการที่จะต้องคลอดออกจากคันถ้าในพิจารณาขนาดนั้นเลยนะในเรียสัตว์เนี่ย ทุกเช่นนั้นกับเหมือนกับการโดนแทงด้วยเข็มแล้วก็การถูกเขียนด้วยมีดโกนเนี่ยนะ ย, ย่อมจะมีแก่สัตว์ผู้มีร่างกายบอบบางผิวหนังเี่ยอ่อนในเวลาที่จับมืออาบน้ําล้างหน้าการเช็ดมีผ้าผืนเล็กๆ เ, เป็นต้นเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งในขณะที่เขาจะต้องเจอสัมผัสในขณะที่เขาเจอสัมผัสจากภัยภายนอกจากลมบ้างจากน้ําบ้างจากมือของมารดาบิดาของตนเองหรือจาก เสื้อผ้าเป็นต้นที่รองรับเขาเองนะถามว่าเขาจะทุกข์ปานใดในความเป็นไปนอกนี้ทุกย่อมมีแก่ผู้ที่ทำลายตนด้วยตนเองก็มีแค่นในกลุ่มบุคคลที่ทำลายตนเองกลุ่มที่บุคคลที่ทรมานตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยวัดต่างๆด้วยข้อปฏิบัติต่างๆด้วยความโกรธต่างๆด้วยความขึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร ก็คือความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่รู้ว่านั้นคือทุกข์นั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าในขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนะี่ยตนเองทํากรรมแค่ไหนหรือในขณะที่ตนเองเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีทุกข์เพราะการถูกจองจําถูกทรมานเป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นชาตินี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยชาติที่ทุกข์เป็นอย่างนี้ท่านจึงสรุปไว้ท่านบอกว่าหากสัตว์ไม่พึงเกิดในนรกทั้งหลายไซ เขาก็จะไม่ต้องไปรับกรรมมีการถูกไฟไหม้เป็นต้นเพราะชาตินั้นสัตว์พึงได้ทุกเป็นที่พึ่งในที่ไหนเล่าบอกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทำวินัยนี้โดยคำว่าชาติว่าเป็นทุกข์ด้วยประการละกะนี้เห็นไหมถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกถามว่าจะทุกข์ขนาดไหนที่จะต้องไปทรมานในการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยจะต้องทรมานถูกทําร้ายถูก กระทำต่างๆนาะนาะซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีอิสระอะไรเลยเนี่ยหรือทุกข์ในจาพวกเดรัจฉานก็มีไม่ใช่น้อยมีการถูกกระ น, น่ำด้วยแสเอ๋ยด้วยปะตักเอ๋ยด้วยท่อนไม้เป็นต้นเถามมีสัตว์เดรัจฉานเป็นจํานวนมากที่ถูกความทุกข์ความทรมานกระทบกระทั่งถึงแม้จะเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่ทั้งหลายเนี่ยนะล้วนแต่ว่าจะต้องถูกความทุกข์ในการถูกกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงทั้งนั้นถูกประหัดประหาร ฉะนั้นถ้าหากเว้นชาติคือการเกิดไปแล้วเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยจะได้รับทุกข์นั้นได้อย่างไรฉะนั้นชาตินี้นี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าเป็นทุกข์ในจัาพวกสัตว์เหล่านั้นหรือในกลุ่มของทุกข์ในพวกเปรตทั้งหลายเกิดมาเพราะความหิวความกระหายเนี่ยมีความทุกข์นานาชนิดมีการเกิดแต่ลมเกิดแต่แดดเป็นต้น เพราะสัตว์เหล่านี้ไปแล้วก็จะต้องท น, ทนหิวทนแดดทนร้อนทนฝนทนความมืดความทรมานตนเองตลอดเวลาใช่ไหมเพราะอากุศลกรรมของตนเองที่ทําเข้าไว้จากพบที่ตนเองประมาทท่าทั้งไปเพราะทํากรรมที่บวกด้วยโลภะเนี่ยนะเพราะทุกในที่นั้นย่อมมีแต่สัตว์ที่ยังไม่ยังไม่เกิดก็หาไม่หาหัดไม่ได้แท้ที่จริงก็เขาว่าเปรตเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองฉะนั้นพพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ชาตินี้กึ่งเป็นทุกข์ถามว่าในหมู่ของพวกอสูรอสุรอสุระทั้งหลายในโลกในเขเ้าเรียกในนรกไหนในโลกาตานรกโลกนตานรกนี่แปลว่าอะไรนรกในระหว่างในระหว่างโลกก็แปลว่าไม่มีแสงสว่างไม่มีเครื่องอำนวยสะดวกอะไรเลยเพราะไปอยู่ในระหว่างเย็นจัดด้วย เย็นจัดและอยู่ด้วยความทรมานอยู่ด้วยความมืดมิดอยู่ด้วยความแม้ถ้าไปเกิดในโลกกันต่างในโลกนะั้นแต่ถามว่าเบาไหมเบาเขาว่ายังเบากว่า เ, เวจีอยู่ั่แต่ ม, มืดมิดมากไปต้องคานตามหลืบตามอะไรต่างๆไปตามที่ต่างๆถามว่าจะทรมานสักปานใดนึกสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่รู้จักบุญและบาปก็เป็นอย่างนี้และในที่สุดจริงๆก็ทําตนเองนั้นให้เข้าถึงทุกดูในปัจจุบันนี่ล้วก็มีความสุขกันดีนะ แต่ถามว่าถ้าทํากรรมโดยไม่รู้ะไปได้ไหมไม่ได้อยู่ที่รู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่รู้หรือไม่รู้คนเนี่ยไม่รู้เลยวิชานี้เป็นวิชาที่ทําไปแล้วจะทําให้ตนเองล่มจมในการค้าทําไปที่สุดก็ล่มจมหรือไม่รู้เลยว่าตนเองทําอย่างนี้แล้วจะเจริญรุ่งเรืองเพราะสร้างเหตุปัจจัยถูกเอารุ่งเรืองเจริญได้ฉะนั้นเพราะความเกิดในนรกนั้นมีจึงมีทุกข์ ถ้าไม่มีการเกิดทุกนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกทั้งหลายมีมาเพราะชาติแม่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในคันของมารดาก็าอยู่ในเหมือนกับอยู่ในคูฐานรกคูฐานรกคือนรกพูดคูดนะ่ยคือนรกสิ่งสกปกอุดจระเต็มไปหมดเนึกๆเกิดในครันจะไปต่างอะไรกันจะไปต่างอะไรกับการเกิดในครูฐานรกถามว่าต่างอะไรกัน เมื่ออยู่นานก็ดีออกไปภายนอกก็ดีสัตว์นั้นย่อมเข้าถึงทุกข์ใช่ไหมจะอยู่นานขนาดไหนนานอย่างพระศิวลีเจ็ดเดือนเออเจ็ดขอโททีเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วคันหลงอีกเจ็ดวันก็เป็นทุกข์ขนาดนั้น ท, ทําไมท่านพระสิวลีจึงออกบวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยเห็นทุกข์มาเจ็ดปีลองคิดดูกรรมนั้นเลี้ยงตนเองให้อยู่ในคันในเจ็ดปีแม่ก็ต้องพลอยทุกข์ไปด้วยเพราะทํากรรมร่วมกันมานะกรรมอะไรรู้ไหม กรรมในการที่ไปปิดเมืองเขาให้ยอมตัวเนะไปปิดเมืองเขาล้อมเมืองเขาไว้ในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเอ๊ะทําไมล้อมตั้งเจ็ดปีกับเจ็ดเดือนทําไมถึงคนในเมืองไม่ตายไม่ออกมายอมแพ้สักทีแม่ก็บอกลูกบอกว่าต้องมีเหตุนั้นควรแน่นอนแม่เป็นคนคอยคอยคอยคอ ย, คอยวิ่งไฉให้ลูกชนิดที่เป็นอะไรนะเป็นที่ปรึกษาทำำํากรรมร่วมกันมาตลอดวางแผนมาตลอดวางแผนมาตลอดว่างั้นเถอะที่สุดจริงๆบอกว่ามันจะต้องมีรูในลูก จะต้องมีช่ององอกเล็กๆออกไปเอาอาหารเข้าไปกินแน่นอนคนในเมืองนี้ถึงอยู่ได้ถ้าเจออย่างนั้นต้องปิดโรบอทนั่นลูกนะปิด7วันกคนั้นพวกนั้นยอมเลยเห็นไหมเจอคันหลงอีก7วันนะกมดูที่นันดูที่นถามว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีามมชาติคือการเกิดไปแล้วในการทุกข์ในคันถึงป่านนั้นจะมีไหมที่เหมือนกระตกอยู่ในครูฐานะลก บางคนเนี่ยอย่างชั้นเองเนี่ยเจอก็ไปสิบเดือนเนี่ยแทบตายเลยลว่าสิบเดือนแม่บอกโอ้ยทําไมท้องนานและเกินแม่ก็ลกําบากแม่พูดเองเนะไม่รู้จริงแค่ไหนแม่บอกโอ้ยทำไมท้องนานกว่าคนอื่นนับนับไปนับมาก็ต้องสิบเลยก็แั้นแสดงกรรมมากนะกรรมมันคอยเบียดบังอย่างตลอดเลายเน่ยเบียดบังดีไม่เล่นสิบเอดถ้าเล่นสิบเอดจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมจะทุกออกมาหรือ ก, ลอก็ลําบากในขณะที่อยู่นานหรือ สิบเดือนเป็นต้นนลยลงไปก็ดีเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ออกมาภายนอกคือโผลหัวออกไปก็คือเขาออกมาหาทุกข์หลบอยู่ในคันก็เป็นทุกข์เป็นเงีเนี่ยนี่เราคือชาติที่ทุกข์มันมาจากถ้าเกิดแล้วย่างลงเมื่อไรแล้วไปอยู่ตรงไหนอะเป็นปัจจัยแก่ทุกข์หมดเลยเขาบอกให้รู้จริงๆว่านี้ทุกข์มันทุกข์จริงๆไล่ไปตามพบภูมิต่างๆด้ว่าเป็นทุกข์เว้นชาติคือการเกิดไปแล้วแม้ทุกข์อันร้ายแรงยิ่งนักก็ไม่พึงมี พราะชาตินี่แหละมีจึงมีทุกข์ด้วยประการดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะอันที่จริงทุกนี้มีอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลใช่ไหมมีอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลเลยลองพันรนาพิจารณาไปตามลำดบับดูเถอะไม่มีเลยที่ปฏิสนธิในขันไหนในภพไหนในภูมิไหนที่ไม่เจอกับความทุกข์เว้นชาติเสียแล้วเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีฉนันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ผผสแสวงหาคุณนันใหญ่ ถาพระพุทธเจ้าสแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาคุณอะไรสแสวงหาศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าสแสวงหาคุณเหล่านี้เพราะมีคุณเหล่านี้แล้วจะเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกขได้จึงได้ตรัสว่าชาตินี้เป็นทุกก่อนทุกอื่นทั้งหมดถามว่าในบรรดาทุกทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกใบนี้นั้นอ่ะชาติคือการเกิดนี้แหละเป็นทุกก่อนทุกอื่นทั้งหมดเลย นี่ไถ้าไม่มีชาติเสร็จแล้วเนี่ยชราติพิทุกขาความชราจะมีได้อย่างไรชรามี2 อ, อย่างไหมชรามี2 อ, อย่างคือลักษณะของสังกตะและความเป็นไปของขันเก่าอันเนื่องในพบเดียวกันในสันตติที่รู้กันว่ามีฟันหักหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นในที่นี้ท่านประสงค์เอาชรานั้นฉะนั้นในคำ ว, ว่าชราเนี่ยนะที่ท่านประสงค์เอาที่ชื่อว่าชรานั้นชื่อว่าเป็นทุก์เพราะความเป็นสังขารและทุกข์ ที่จริงก็เป็นต้นของทุกข์ด้วยนะทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมีหลายปัจจัยเป็นอาที่นะถามเออว่าโดยความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยในที่สุดจริงๆเราก็เสื่อมถอยจากภาวะความเป็นหนุ่มสาวมันไม่ได้ถดถอยแต่ก็ไอความเป็นหนุ่มสาวนะสติปัญญาย้ำตัวว่าเสื่อมถอยไหเสื่อมถอยด้วยปัญญาเสื่อมถูกคนอื่นดูแครนะ์ในที่สุดเนะี่พวกเราในกาเป็นคนเนี่ยนะ ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรม จากท่านพระอาจารย์ประสมทบพระกะโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสัมมาทิทีิสูตรในชุดที่สองและโปรดติดตามรับฟังสัมมาทิทีิสูตรในชุดต่อไปในโอกาสหน้าขอบุญบารมีที่เกิดขึ้นจากการสะดับรับฟังพระธรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุข แต่โชคดีจงมีกับท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านสวัสดีครับอโมโหกุศลปานาติปาโตโควัชอกุสล วานาตปาตาดีรัมณีกุสลอดินนาดาน้ขโววัชชะกุสล अधिनादा ना वेरमनु कुसलम क ा म े ज ु म ि च ् छ ा च ा र ो ख ो व च ् छ अकुसलम क ा म े स ु मिच्छाचारा व े र म न ी कुसलम मुसावा दो ขอวัชกุศลมสาวาดาเวรมันกุศลสิชุนา व ा च ा खोबच ् अकुसलम भी सुना य व ा च ा य ा ब े र म न कुसलम ฟารุซาลวาจาโขบัติอคุสระม์ฟารุซาลวาจาเย่เดห์ร์มัน สंม प พลาโปोโว้ च เชอุศลัมสัมภพลาปาเบระมันุศลัมอบท ख ้อบัตรักอุศลัมอาณาบชฌุศลัยาปะโดข้อัตรักุศลัอาวยาปโด สลนิชาดิคทิขควัชอะกุสลมสมมาดิคิคุ दिखो व च ् छ दस धम्मा अकुसला दस धम्मा कुसला